ประสบการณในโลกช่วยให้เข้าถึงธรรมได้ป่าเถรวาทเรานั้นเราแบ่งโลกกับนิพพานออกคนละโลกเลยแล้วก็มักจะเอ ง, เองที่หาบทสรุปว่าคนที่ต้องการรู้ธรรมต้องหนีโลกทิ้งโลกต้องสละบ้านสละบเรือนมีเมียต้องเลิกกับเมียไม่กินข้าวหรือกินมื้อเดียวหรือไม่อาหนะาท้องเลไอ้ควาทีิอย่างนี้ครับผมคิดมันไม่มีประโยชน์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 สมปริดีความรับผิดชอบขึ้นมาไดนะ้แต่ตรงข้ามถ้าเราไม่มีประสบการณ์เหล่านี้เลยแล้วไปเป็นนักพรดบางทีนักพรดจะไม่รู้ค่าของเงินเลยว่าบาทหนึ่งเนี่ยคือเงือกี่หยดกีิยาดเพราะว่าทุกครั้งะหติยโยมทุนถวายให้นั้นความรับผิดชอบจะไม่เกิดเลยนั้นเราถึงเห็นปรากฏการณ์ซึ่งไม่น่าปรารถนาเกิดขึ้นบ่อยในวัดวัดนั้นไม่ใช่เป็นที่มหาเศรษฐีจะไป จํำศีล ผ, ผมอาจจะกระแนะกรแแนพระไปหน่อยนะฮะช่วยไม่ได้จริงเพราะช่วงนี้เปนช่วงที่มีการสํารวจกว้างท้าทายต่อสถาบันสงซึ่งไม่เคยมีมา ก, ก่อนตั้งแต่ราชจอจาณาจักรสุขโขทัยเป็นต้นมาไม่คิดถึงอาณาจักรศรีวิชัยนะฮะเพราะมันคุ้มเคืองทางด้านประวัติศาสตร์คิดรวมด้วยก็ได้ครับอันสองร้อยกว่าปีมาแล้วตั้งแต่อาณาจักรศรีวิชัยจนมาทั้งวันนี้ที่กรุงเทพหรือ ท, ที่ที่เหตุการณ์ สดๆนี่ไม่เคยมีใครกล้าท้าทายสถาบันสองเพราะว่าสถาบันสองเป็นสถาบันที่ทุกคนเทิดทูนยกย่องไว้เื้อเชื่อใจเป็นสถาบันที่บริสุทธิ์ยุตธิธรรมยิ่งผมว่ามาถึงทวนนี้เน่ยลำบากครับหลายคนไม่พูดแต่ลึกๆสงสยยัยในสถาบันนี้ขึ้นมาก็เห ม, มือนูรับผิดชอบต่อสถาบันนี้ผมหมือนพระสงฆ์ทั่วไปนะครับ ไม่ประเมินผลเสียไม่เป็นครับแล้วผมได้โอ้โ่ผมได้ยินบ่อยที่พระผู้ใหญ่หรือผู้รับผิชอบมักพูดว่าโอ้ยพุทธศาสนาไม่นนมีวันเสื่อมพุทธศาสนาบริสุทธิ์ผุดพองอยู่เสมอผมว่าคำพูดนี้ประมาทมากเพราะในอินเดียครั้งหนึ่งเนี่ยมันเสื่อมสูญพุทธศาสนาไม่เสื่อมก็รู้กันอยู่แล้วนะครับแต่คำว่าเสื่อมในนี้หมายมันเสื่อมสลายไปจาก ความรับผิดชอบและความศรัทธาในหัวใจของประชาชนพุทธศาสนาที่ว่าดีนักดีหนานะฮะสาบสูญไปจากอินเดียแหล่งกําเนิดพุทธศาสนาที่ลงหลักปักฐานมั่นในชวานะครับที่เป็นสาเหตุในสร้างพุทธสถานอันยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีคือบรมพุทโธนั้นสาบสูญไปจากเกาะชวาดังนั้นคำว่าสาบสูญหมายถึงว่าคนหมดความมุ่งใสเท่านั้นเลยครับ คือมันเสื่อมสูญมาจากจิตใจของพระชาตกันผมว่าพระสงฆ์ประเมินผลไม่เป็นมัวแต่คิดว่าโอ้ยโยมมันเข้าวัดเยอะนี่ประมาทมากแล้วครับท่จริงผมไม่ได้ตั้งใจจะพูดเรื่องนี้นะพราะนีม้มันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ฟังแล้วก็เสียอารมณ์ปเปล่าๆแล้วควรจะย้อนมาศึกษานะครับสิ่งที่ผมเอ่ยมาแต่ต้นคาว่าญาณทัศนะ เด็กหนุ่มไทยหรือเด็กหนุ่มที่เป็นชาวพุทธทุกคนเมื่อวัยครบยี่ปีก็จะมีขนมประเพณีให้บวชถ้าบวชก่อนหน้านั้ น, น, นคือบวชเนนบวชเนนมัผมว่าเป็นการจัดเตรียมเพราะสมณเนรแปลว่าหน่อเนื้อของผู้สงบสมณเณแล้วน่อเนื้อของสมณะและสมณะแปลว่าผู้สงบนะฮะจะสงบเรื่องน้าของสมถะหรือสงบเรื่องหน้าของความรู้แจ้งวิปัสสนาก็เรียกว่าสงบทั้งสองอย่าง ตอนบนเนมคงจะรับผิดชอบต่อสังคมหรืออะไรไม่ได้มากนักนะตัวเองก็รับผิดชอบตัเองไม่ได้ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของพระพี่เลี้ยงพระนั้นเป็นพี่เลี้ยงของเนมสมัยพุทธกาลนั้นไม่มีข้อกําหนดว่าอายุของสมณเณรแค่ไหนดังนั้นอุบาสิกาคนหนึ่งด้วยความสงสารลูกจะลําบากในวันหน้าก็เอาลูกมาให้บวชตั้งแต่อายุเหมือ น, นสามหกก็ห ก, หกขวบ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 สัคนหนึ่งเนอย่างน้อยในชีวิตครั้งพการบวชแล้วศึกไม่มีประเพณีการศึกแต่ว่าศึกได้แต่ไม่เป็นประเพณีภาษารย์เมืองานเขาเล่าว่าถ้าพระจะศึกต้องไปศึกที่มาลัยทวีปคืออย่าให้ใครรู้ไปศึกเงียบเพราะว่าการศึกทำให้ผู้ที่อยู่ท้อใจไม่ใช่น้อยเหมือนกันแต่แล้วในประเทศไทยนี่เองครับที่ได้พัฒนาก้าวขึ้นสู่วงจรที่สําคัญมากในการถ่ายเท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 ก็โตขึ้นมากับชุมชนชุมชนเราก็เหมือนกันนะครับถ้าอยากมีความรู้ในขนมประเพณีหรือเรื่องราวเกี่ยวกับผู้คนต้องบวชสวัสดิเสวัสดิ์คนมาทําบุญที่วัดที่คนมาขึ้นบ้านใหม่ก็มาปรึกษาพระดังนั้นเมื่อ บ, บวชตั้งแต่ยี่สิบปีนี่เพียงสี่ห้าปีเขารู้จักชุมชนก็อย่างดียิง่งนิสิตกว้างครับบวชเพื่อเป็นสมาชิกถาวรของชุมชนรู้จักผู้คน แต่ในมิติลึกน่นคือบวชแล้วเพื่อได้ยานทัศน์ที่พระเจ้าทรงสอนไว้ผ่านทางพระไตรวิฎกผ่านทงนางนิพพสนอาจารย์อาจารย์ที่เรียนนิปัสนนั้นผู้ที่บวชแล้วก็เดินก้าสูนมิติลึกซึ่งเป็นหัวใจอย่างกุศลนานั้นวัดไม่ใช่แหล่งทําบุญอย่างเดียวนะเป็นแหล่งสแสวงหายานวิเศษอยากได้สิ่งวิเศษก็ต้องไปที่นั่นไปที่โรงแรมหรือไปที่ ที่อื่นก็ไม่ได้ครับนั่นเป็นเรื่องโลกโลกแต่ทุกวันนี้ส่วนลึกมันกลับตื้นขึ้ น, นเหมือนลึมลึกถูกถมจนกระทั่งว่ามันมีในเรื่องสังคมนั้นน่นเองบวชเพื่อรู้จักคนบางวัดกลางเป็นแหล่งค้าขาเฮโรอีนไปเลยครับมันนีเรื่องหน่าเศร้าหน่าสลดมากๆการแสวงายานโัศณานั้นผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่มากๆครับในทุกวันนี้ สังคมก้าวขึ้นสู่นักวิชาการหรือนักคิดเขาเรียกว่าคลื่นลูกที่สามลูกที่หนึ่งคือเกษตรแล้วก็อุตสาหกรรมแล้วก็ข่าวสารสน่อเทศอะไรเนี่ยซึ่งบางคนเรียก ร, อร้อนเลยมันเป็นยุคดิจิตอลอะไรแล้วมันมันเป็นเรื่องที่ก้าวหน้าจนกระทั่งยากที่จะควบคุมยากที่จะแม้แต่ติดตามก็ลาบากนะครับในขณะขี่เราเมีคลื่นมีสื่อสารทําสมัยมากๆ แต่ความติดตามข่าวนี่เราจะล้าลงด้วยในทางการกระแสบริโภคนี้เองครับการแสวงหาเงินฐานะและอำนาจออกหน้าและเพราะว่าเรามีปัญหามากกับห่วงเวลาเราไม่เข้าใจไม่แนบแน่นกับความรู้สึกตัวตามธรรมชาติเพราะว่าเราต้องวิ่งไล่สิ่งที่ เราถูกบีบให้ยอมรับทั้งๆเี่เราไม่ได้ต้องการมันเช่นเราผู้เรารู้ดีนะครับว่าเราต้องการความสงบแต่ว่าเราไม่อาจสงบเพราะเราคืนสงบเวลาเราไม่มีเงินที่จะเลี้ยงชีวิตเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียแล้วิถีชีวิตทุงคนในสังคมบริโภคนะจะขัดแย้งกันเองอยู่ตลอดเวลาต้องทำในสิ่งที่ไม่ปรารถนาผมไม่ต้องอธิบายมากนะสิ่งนี้มันมนันชัดๆอยู่แล้วเป็นดังนั้นแดงเสียดทานเนะี่ยคอนฟลิกต แรงเสียดทานจะเกิดขึ้นในตัวงเราบ่อยตันเดี๋ยวเครียดที่มาอย่างไร้เหตุผลเหนื่อยที่มาอย่างไม่ไม่น่าเชื่อท้อใจขึ้นมาเมื่อไหร่เวลาไหนก็ได้ครับโดยคำพูดโดยเห็นสัญลักษณ์อะไรบางอย่างโดยคำตอบโต้ของบรรยาเราหมดแรงไปขึ้นหนึ่งทันทีหกลงทันทีเลยครับในกระแสบริโภคนี้เองมันได้ตัดทอนการสแสวงหาญาณทัศนะลง ตรงนี้สาคัญมากนะครับผมคิดว่าสังคมเครื่องกดีตโดยเฉพาะสังคมพุทธสมัยพุทธกาลนะครับต้องใช้คำว่าสังคมพุทธเพราะว่าชาวพุทธถูกสั่งสอนให้สแสวงหายานทัศนะคือพื่อจะง่ายสแสวงหาทางหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงนี่กลายเป็นกระแสหลักเดี๋ยวนี้แม้จะเป็นกระแสรองก็ไม่เหลือนะผมว่าถ้าเป็นกระแสรองก็ยังช่วยนะ ค, คือหาเงินมาพักเดี๋ยวให้วกเลี้ยวอยู่เทินมันได้มา เมื่อส่งลูกส่งเต้าเรียบร้อยอยู่รอดไปเราก็เริ่มชีวิตที่เราต้องการจริงๆนะแต่เพราะว่าเดี๋ยวนี้ลําบากมากครับแต่ก่อนเรามีศัพท์คำวัลย์ตนอยู่ครับแปลผู้รู้ราตรีนานแปลว่าผู้ที่อายุมากแล้วก็ทําไมเขาไม่ใช้คำว่ารู้ที่วานานก็ไม่รู้นะก็ใช้คำว่ราตรีนานเพราะอะไรครับขบับศัพท์นี้ไม่ได้จำเพาะเฉพาะพระภิกษุโกลทัญยะเท่านั้นทเรียกว่าเ ป, เ, ปเป็นผู้รู้ราตรีนานแต่ใช้ทั่วไป วิถีชีวิตในสังคมเกษในสังคมเก่านะครับที่เราผ่านเลยมาแล้วหรือที่จริงในบ้านนอกยังมีนะครับเรามีเวลาเหลือฝือครับหลังจากกินข้าวกินปลากับลูกแล้วลูกเต้าเข้านอนเราก็จุดยาให้ทองนั่งพิงเสาเรือนแล้วก็พิเคราะห์ทางปรัชญาตรวจส่องสำรวจพฤติกรรมลูกของหลานนึกถึงธรรมะนึกถึงกจ้า ท, ทุกคืนทุกคืนในเวลาไจรรอง น, นนานมากครับเป็นรูลาตรีนานดังนั้นไอ้ความสุขงงหรือสิ่งที่เรียกว่าการตกผลึกทางภูมบัญญาินี้เกิดได้แต่มาถึงปัจจุบันนี้ไม่มีนะครับเพราะว่าทีวีลิปไปหมดครับจากดูข่าวสารทั่วโลกซึ่งทียิตข่าวสารจากหลายช่องของโทรทัศน์จากวิทยุจากหนังสือพิมพ์จากหลายสื่อได้ลิปเวลาจนทั้งเที่ยงคืน เที่ยงคืนมีหนังรอบเด็กเนี่ยแ้ท่านในเยอรมันนั้นหนังรอบเด็กนี่เป็นหนังหนังประเภทเปือยครับหนังเซ็กซ์หมู่อะไรอย่างเงี้ยไม่สุดเอ้ยุคข่าวสารแทนที่เป็นสิ่งที่มีประสิทธภาพที่ดีนะมันกับลิดทุกสิ่งทุกอย่างไปเลยเข้าคายใ ย, ยแมงมุมมานี้แล้วหลุดไม่ได้ปีหนึ่งผ่านไปในเรื่องทียายน้ำเน่าล็อกลอยู่ในหัวสมองก็งไม่มีประโยชน์เลยสิ่งนั้นผมคิดว่าประโยชน์น้อยมาก เที่ยวการนั่งเฉยดูความมืดเห็นหิ่งห้อยบินวอแวมมันจะท้อนอะไรหลายเรื่องครับอย่างนั้นคำว่าลัตตันยูนี่ก็ค่อยตายไปจากสังคมนี้ที่จริงความหมายลัตตันยูสูงมากครับในสังคมอดีตนั้นเวลากลางคืนเวลาที่เหมาะเพราะว่าเสร็จงานไม่ต้องกังวลในอะไรกแล้วโดยเฉพาะในสังคมเกษตรนะฮะปัจจุบันนี้ความไม่ตกกังวลในรายได้ในการครองชีพสูงมาก แล้วก็ปัญหาจุกจิกเรียงลำดับเข้ามาเสร็จเรื่องนี้ขึ้นเรื่องนั้นเสร็จเรื่องนี้บางทีซ้อนเข้ามาหลายเรื่องจนกระทั่งว่าไอ้ระบบประสาทที่ทำงานอย่างมีสิทธิภาพของเราตามธรรมชาตินะไม่สามารถทานไหวเขาเลยเรียกว่าเบรกดาวใช่ไหม <c oughs> ไม่ไดแพร่กอะจายว่าหักป้นลงมานะสาธาัณเลขสอประดออะไรนะครับประสาทเล่นแล้วนะครับวนคิดไปถึงคดีนะครับ ผมเป็นคนภาคใต้แล้วก็ถ้าคนใต้ด้วยกันจะรู้ว่าเวลาหนังตะลุงเล่นเนี่ยจะมีตัวหนึ่งเขาเล็กปลายหน้าบทถือดอกบัวออกมาแล้วก็ที่จริงี่เป็นครามเนียมพณีสะท้อนออกถึงวัฒนธรรมพุทธอันเนื่องจากครั้งหนึ่งเมื่อหลังจากพระเจ้าเสด็จดับขันประริมผ่านแล้วพระมหากัะสปะท่องเที่ยวอยู่ในป่าแลวเห็นพระิพ่าชกคนหนึ่งถือดอกมณฑารบ ดอกไม้สวรรค์นะครับดอกไม้สวรรค์นี่ตำนานพันปีร่วมหงษหนึ่งแล้วร่วงในเหตุการณ์ใหญ่ของแผ่นดิน น, นะฮะดังนั้นอันนี้เป็นวรรณกรรมครับมันดอกไม้สวรรค์เมื่อพระกัตสุปะเห็นเข้าก็ฉเฉลียวใจว่าน่าจะมีเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นแล้วพระองค์น่าจะประ่นินผ่านแล้วเนื่องจากดอกไม้นะอันนั้นตำนานที่กลายสัญลักษณ์ก็บุรุษผู้ถือดอกไม้นี่หมายความเป็นผู้สื่อข่าวสื่อข่าวประเสริฐ เฉนั้นปรายหน้าบทนี่ที่จริงมาจากสอบคำรายณานประถนบทที่ต้องกล่าวก่อนคนปากใต้จะรู้ครับว่าดูหนังตลุงบ่อยจะรู้ย่อยๆๆตัวนี้ออกมาเดี๋ยวก็กล่าวกรอนเล่าว่า อ, าอะไรเป็นอะไรนะฮะเล่าเรื่องแล้วเป็นตัวแทนของตัวนายหนังด้วยครับผู้สื่อข่าวผมอ้างผู้สื่อ ข, าข่าวครั้งอดีตนั้นก็เพื่อชี้เห็นว่าครั้งอดีตเรามีเครื่องมือสื่อสารน้อยมากครับ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 แม่เราเท่ยแม่ค้าเลยทั้งๆก็มาเอาเงินเรวเนี้ยแหละทั้งนี้เพราวันนันนี้ท่องเที่ยวมากแล้วข่าวสารผ่านทางพ่อค้าวันณะพ่อค้านี่เป็นชนชั้นกลางค้าขายนะแต่ก็ต้องท่องเที่ยวไปค้าขายเอาไหมจากชนบทนี้ไปขายที่โน้นและรับทราบข่าวดังนั้นโดยเฉพาะข่าวการศัตรูของพระพุทธองค์นี่ก็ผ่านทางวันณะพ่อค้านี่มากส่วนการแพร่แพร่ของภาษาวกนั้นนะครับ มีจุดหนึ่งซึ่งผมไม่ไม่เห็นด้วยที่มีคนพูดกันว่าพระสาวกหกสิบรูปครั้งแรกที่พราราสีนะครับทรงส่งไปเพื่อประกาศธรรมนั้นเป็นคณะมิชชันนารีชุดแรกความคินี้ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริงนะครับเพราะว่าสบอบคำมิชชันนารีหมายถึงผู้ที่รับคำสั่งจากศูนย์กลางแล้วไปทำงานแล้วก็รายงานกลับมาศูนย์กลาง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 ตั้งแต่อดีต บ, บรรพชนของเราด้วยได้รับคุณบุประการจากการเผยแผ่แผแผธรรมะของพระเจ้าจากพระอราหันต์สองลูปคือพระโสรณพระอุตระที่เดินทางมาสู่ถิ่นฐานบ้านเกิดที่เราอาศัยอยู่นักโราคดียังเถียงกันว่าที่เมืองสุเทอมมาครั้งแรกที่เมืองสเทอร์พม่าหรือนครามัทผมกันแน่นั้น ไ, ไม่ใช่ประเด็นสําคัญฮะแต่สิ่งที่ผมคิดขึ้นมาคือท่านเหล่านั้นใช้ภาษาอะไรในการเผยแผ่ ทีนี้ถ้าเราต้องเป็นตัวแทนไปเผยแพร่คําสอนของพระเจ้าแล้วเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ต้องแล้วต้องใช้ภาษาอะไรท่านเอแต่ผมมั่นใจอย่างหนึ่งว่าภาษาเป็นสิ่งรองหัวใจที่บริสุทธิ์ทุ่งท่าที่เมตตากุณาจริงใจต่อเพื่อมนุษย์ตรงนี้มันก็เป็นสื่อที่สําคัญที่สุดต่อนพูดไม่ได้เลยก็ก็ต่างนะจนภาษามนุษย์เป็นสื่อสมมุติครับ ดังนั้นจึงเกิดศัพ์คำว่าจิตถึงจิตใจถึงใจแม้ภาษาจะคลาดเคลื่อนเข้าใจตีความกันไม่ไม่ทัดเทียมกันก็ตามแต่ว่าเหมือนที่เราทราบกันดีนะครับว่าไม่มีประคำพีเล่มใดที่จริงแท้เท่ากับหัวใจของเราดังนั้นยานทศนะที่พระเจ้าออกแสวงหานั้นหลังจากท่านประสบแล้วก็ท่านทรงชี้แนะกลวิธี ที่ได้มาซึ่งยานทัศน์เพื่อง่ายสุดกระแสว่าธรรมของพุทธในประเทศนี้นะครับมองในแง่กว้างก็เพื่อเอกภาพเพื่อทำให้มนุษย์สภาวะเติบโตขึ้นมองในมนุมลึกก็คือเพื่อได้ยานวิเศษที่ทำให้ความทุกข์หักแหลกลงนี่คือจะเรียกว่าเป็นองค์ความรู้ของพุทธศาสนาก็ได้ โดยเขาทมพีแล้วเรารู้ว่าองค์ององความรู้นั้นก็คือศีลสมาธิปัญญาแต่จริงๆแล้วตัวสาคัญที่สุดคือยานทัศนะที่ถูกตรงผมได้เล่าว่าตั้งแต่ต้นนะครับว่ายานทัศนะนั้นของพุตรงเองนั้นเกิดขึ้นด้วยประสบการณ์ชื่อฉานชำนาญทางดนตรีดนตรีทำห้ท่านเข้าสู่ปากทางทันทีพทมาที่หลังอาจจะยังไม่ ไ, มได้ยินนะครับว่าอา จ, จะพูดได้ฟังปแปลกๆว่า ผู้เจ้าเข้าสู่มัชฌิมาปฏิพทาด้วยประสบการณ์ทางดนตรีรผมจะเล่ า, เ, า เ, เล็กๆเ ก, กินน้อยมานะครับจากพระคัมภีลลิศวิสตระซึ่งเป็นพระคัมภีที่ที่ดีเล่มหนึ่งชักชวนให้อ่านถ้ามีเวลาแต่ผมเชื่อว่าเราคงมีเวลากันไม่มากเพราะเป็นหนังสือเล่มหนาฟึ๊กเลยครับดูเหมือนว่าจะทําการอ่านสมัยนี้เราเราอ่านเหมือนอ่านหือพิมพ์นั้น ดนั้นส่วนพระคัมภีนึงเขาไม่ได้นิพนขึ้นเพื่อให้อ่านแบบอ่านข่าวแต่ต้องอ่านในความเงียบแล้วต้องมีวัฒนธรรมการอ่านอีกแบบหนึ่งที่จริงว่าทําเก่าของเรามีที่ทํานองสวดนะครับที่พันยาพันยาให้ลูกหลานอ่านแล้วลูกหลานเบื่อมากๆที่จริงการอ่านทํานองสวดเสียงยืดนั้นคือชุ่มขณะในาการใจตรองตามกระแสความนั้นไปด้วยแต่ทุกวันนี้เราอ่านทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับอ่านสิลพิมพ์ ฟังเหมือนฟังข่าวในสุดเราก็เชื่อโยงอสาระจริงๆไม่ค่อยสนินทยกตัวอย่างนะครับเรวฟังข่าวเรื่องดาวนพเคราะห์ดวงนี้ถูกมลพิษห่อหุ้มอยู่เราอ่านเราเข้าใจเรารู้แต่เราไม่รู้สึกอะไรเลยหรือมากกว่านั้นเมื่อเราดูโทรทัศน์เห็นการแข่นข้ากาันถึงเลืออถึงเนื้อดูไปดูมามจะสนุกเก่านะครับ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 ภาวะที่ตกต่ำแล้วครับเพราะข้อเท็จจริงนั้นมนุษย์ความเป็นมนุษย์หรือจิตใจของมนุษย์นั้นได้ซ่อนแฝงศักยภาพอันสำคัญยิ่งอันหนึ่งไว้ซึ่งคือความชอบวัยในการเรียนรู้ผมขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษนะครับคือ sensitivity ชั้นสูงใช้คำว่า high e r sensitivity ซ่อนอยู่ดังนั้นข้อนะนำ กว้างๆของพุทธองค์งในการทะลุถนอมเครื่องมือพิเศษ ท, ที่จะได้ยานทัศนะนั้นนะฮะและการปราบไม่ให้ดื่มสุราไม่ให้พูดเพชรไม่ให้ทําอะไรที่มันทําให้สูญเสียสมรรถนะหรือศักยภาพอันนี้ไปการท่านห้ามให้ดื่มสุราไม่ให้อะไรนี้ไม่ใช่ว่าท่านอิจชาคนขี้เมานะไม่ไม่ใช่ว่ากีดกันไม่ใช่นั้นเนะื้แต่เป็นข้อแนะนําว่าถ้าขึงทําอย่างนั้น จะค่อยๆสูญเสียความฉับไวในการเรียนรู้สิบประธานศีนโดยองรวมแล้วไม่ใช่อะไรอื่นนะครับคือการปลุกความรู้สึกตัวที่ฉับไวในการแลเห็นในการรู้จักสิ่งต่างๆส่งเกตดูนะครับความเฉื่อยช้าของเรานี่ยเนื่องจากเราติดยึดอยู่ในความทรงจําเก่าๆของเราเพื่อง่ายเรามีอะพื้นใจเรามีอารมณ์หนึ่งอยู่นั่นเมื่อ มันมีอารมณอยู่เราไ ม, มไม่มีไม่มีประสบการณ์สดส ด, สดต่อสิ่งใหม่ๆซึ่งเป็นภาวะที่เปิดเปิดตัวมันออกมาเองเแต่เรามักจะมีอารมณ์เก่าหมักหมมอยู่โดยเฉพาะความจํามันเหนียวหนักอยู่กับสิ่งที่อะไรอวรหรือชิงชังฝังแน่นอยู่ซ่อนอยู่ะฉะนั้นถ้าผมครั้งหนึ่งผมเคยมีปัญหากับผู้คนชนชาติใดชาตหนึ่งเช่นยกตัวอย่างชาวอินโดนีเซียนะ เาผมเห็นคนอนเนเซียในประเทศนี้ในประเทศไทยซึ่งที่จริงคนละคนแต่พะรู้ผมลมเอียงแล้วเพราะผมติดแน่ น, นคมทรงจมเขาเก่าผมเองผมช่วงโอกาสที่ประสบการณ์สดๆและใหม่เอีนะ่ยมจะปรากฏขึ้นเนี่ยยากมากครับพราะผมเคยเล่าไว้เมื่อหลายเดือนก่อนในห้องนี้นะครับว่าชาวมุสลิมคนหนึ่งเขาเคยไปเยี่ยมผมเพราะาที่ไปเยี่ยมผมเพราะว่าเขา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 แลเรือที่เขาใช้มา 20-30 ปีใกล้เรือใหม่แต่บางวันมันทั้งเกา่าทะเล ก, ก็เกา่าเท่าว้าก็เก่า ๆ, ๆผมพังได้ยินเท่านี้ผมก็จับได้ว่าเขาสังเกตเห็นอะไรบางสิ่งซึ่งซึ่ ง, งลึกๆซึ่งประพุ้นประพายว่าวาบๆข้นมาในใจเขาประสบการณ์ผลแรกนะครับจะกลายเป็นครูและเป็นทา ง, างในตัวแต่ประสบการณ์ผลที่สองจากความทรงจํา เราจะฝังความจํานั้นไว้เป็นระยะระยะระยะแล ะ, ะ, ะ, ะ, ะ, ะ, ะ, ะในสุดการมองโลกของตัวเราจะกลายเป็นการรีวิวไอสิง่งเก่าๆออกมาบทบังประสบการณ์สดๆสดังนั้นโลกจะเป็นโลกเก่าอยู่ด้วยน้ำมนุษย์เองก็ปลูกพันธุ์กับอดีตการมองการได้ยินการลิ้มรสเพราะกินอะไรหวานโอ้หวานดีจังเลยซึ่งเราก็โยงเข้าสู่ประสบการณ์ของตัวเองในอดีตเราผูกมัดกับอดีต สื่ประทานสีนั้นไม่ใช่อะไรอื่นนะครัเป็นอุบายที่สําคัญมากที่สุดเป็นจะเรื่อเทคนิคใช่นะครับแต่ผมไม่อยากใช้คํานี้ผมอยากใชเขาเป็นยุทธวิ ธ, ธีเป็น s t r a t e g i e ที่จะปลุก<อ>ชีวิตจิตใจนะี้ให้มันให้มันฉับไวขึ้นในการยินในการฟังแ ท, ยท้ยินครั้งหนึ่งเราเคเป็นนะครับตอนเราเป็นเด็กๆเด็กๆจะว่องไวในการฟังเสียงจริงหลดเขาจะเห็นตักตะแกรงกระโดดเนี่ยเขาซึ่งเป็นที่เราไม่เห็นนะครับ รเด็กเล็กๆจับเงอนของแม่ที่ดูประจันเลเขาเห็นมันทั้งชีวิตเลยครับแต่ว่าแม่อาจจะไปดูเลยมันไม่สวยหรือมันเป็นบริวารของโลกนี้เราไปอธิบายหมดสิ้นเลยครับในคำอธิบายมากมายมันก็บังการเห็นบริสุทธิ์ครับนี่ลึกลลึกก็คือเมื่อเราติดยึดกับความจาเก่าๆมากดังนั้นเราจะไม่เห็นอารมณ์ภายในของเราเช่นความลิษยาความเกลียด ความเหนาเรารู้สึกแต่ทุกข์เท่านั้นครับแล้วเราก็กลางคนดีแต่ทุกข์คำว่าดีแต่ทุกข์นี่ต่อให้เป็นห้องเท้นทุกเหมือนกันครับมีสมมติเราเริ่มเริ่มต้นใหม่นะครับเราเริ่มต้นสำรวจทุกทวนขออภัยครับเราทุกทวนในผลหนึ่งทบทวนความเมตตาของเรากับโลกการทุกทวนไม่ใช่การนนั่งนื้อฟื้นพังหลัง สืบสอบว่าเรามีความัมพันธ์อะไรกับใครกับสังคมอย่างไรไม่ใช่อย่างนั้นนะทบทวนนิวคือการดูครับ<ม>การฟังการตื่นตัวและการจับความรู้สึกที่ง่ายๆที่ปรากฏขึ้นในจิตใจของเราซึ่งเป็นฝักฝ่ายของเรามธทําถ้าเราค่อยๆเข้าใจเรื่องเราหรือค่อยๆได้ย a r ทัศนะในตัวเองด้วยตัวของตัวเองครับไม่ใช่ ฟ, ฟังหรือจํามาจากพระคัมพีพระคัมภีร์กลายเป็นสิ่งที่ ผู้ทบทวนความจำของเราเท่านั้นแต่ตัวประสบการณ์ที่เห็นแจ้งในตัวเองนี่เองที่เป็นหลักใหญ่ที่พระเจ้าทรงแนะนําไว้แต่ว่าความลิสยาดิประเด็นเรื่องความลิสิยานะครับเราพบข้อที่จริงง่ายๆว่าความลิสิยาคือความคิดเชิงเปรียบเทียบแล้วเราจะไม่ลิสยาผู้ที่ไม่อยู่ในฐานะของความมันคู่แข่งกับเราเราไมกจะลิสิยาหมีปัญหาเพื่อ น, นเรียนร่วมรุ่น พี่หรือน้องที่ได้ดีหรือหรือไม่ได้ดีกว่าหรือน้อยกว่าเรามากกว่าเราเราจะไม่ลิษยาเจ้าชายหรือเจ้าหญิงของประเทศนู้นซึ่งจริงเทียวกัน ไ, ไม่ได้อยู่แล้วครับพอเราคิดเปรียบเทียบเราจะเริ่มเกิดความรู้สึกฝักไ ฟ, กฟเป็นนามธรรมครับแต่ถ้าคนเข้าสังเกตจริงเนืผมอยากจะใช้คําคพูดและทัศนาส่วนตัวนะครับในที่นี้เน้นไว้ก็เพราะว่าว่าจะผิดก็ได้นะ ผมว่านามรรมนี้เป็นรูปธรรมแต่เป็นรูปธรรมซึ่งซึ่งเห็นได้ยากเท่านั้นเองครับความรู้สึกเหงาเนี่ยมันเหมือนว่าเป็นกลุ่มก้อนอะไรบางอย่างและดังนั้นมันสลายได้ครับเมื่อมันสลายหมดจะเห็นมันด้วยมันหมดแต่ถ้าเป็นนามรรมอยู่รู้จักยากความเหง า, าความเศ ร, ร้าเร้ารุนอยู่ตอนนั้นสติเราจะกระเจิงกระเจิงครับเราก็รู้สึกแต่เรื่องเศร้า แล้วแต่ในการเรียกร้องที่จะให้อาจจะไปหาพระช่วยบอกผมหน่อยว่าทําไงทําสมาธิเพื่อจะไล่ความเจ้าทั้งๆเราไม่ได้เห็ น, นดังนั้นเราเหมือนถูกปีออมแล้วก็อยากจะไล่ผีดังนั้นก็ไม่รู้ว่าผีอยู่ตรงไหนนะครับดังนั้นผู้เช้าทรงล้อเหรนนะครับล้อเหรียญว่าเปรียบเหมือนนายหนุ่มคนหนึง่งแบกกระไดมากระบกระดนะครับใชาภาษาชาวบ้านนะคำว่ากระดหรือบันไดนะแล้วนายหนุ่มคนหนึ่งถามว่านั่นแกเอากระไดไปไหน หนุ่มที่แบกก็ได้บอกว่าฉันจะเอาไปปีนเข้าหาสาวน้อยที่ฉันรักไอ้หนุ่มคนหนึง่งซึ่งเป็นเพื่อนถามว่าสาวน้อยชื่ออะไรไอ้หนุ่มแบกกระด้บอกว่าไม่รู้ถามว่าบ้านเธออยู่ที่ไหนไม่รู้แล้วจะปีนวันไหนก็ไม่รู้ทุกอย่างไม่รู้ทั้งนั้นครับรู้อย่างเดียวคือความอยากความอยากไม่ว่าจะอยากรวยหรืออยากจนนั่นนะครับหรืออยากบรรทุกกระทุกทั้งนั้นนะครับอยากจะบรรทุกกระทุกครับ เป็นรูปหนึ่งความทุกข์อยากจะมีสมาธิก็ทุกข์อีกดังนั้นเราเราคุ้นมากกับการใช้พิมพยาแต่เราไม่คุ้นเลยการสังเกตล้วนๆดูเฉยๆโดยไม่ทําอะไรเลยครับเพราะโดยกล้ไม่ทําอะไรเลยแล้วเริ่มสังเกตเข้นไปเนี่ยเราจะเห็นมันผมคิดว่าเราเห็นศัตรูทุกวงเห็นตัวนั้นปัญหาเรื่องความไม่เห็นหนั้นหักแหลกลงแล้วนะครับเพียงผมเห็นได้ว่าขณะนี้ผมกำลังเหงาแล้ว ตัวความเหงากับมันอัดแน่นอยู่แนวนี่ผมเชื่อผมดีขึ้นหน่อยอธิบายตัวเองนะเพราะอธิบายเมื่อเดี๋ยวก็โกรธเอาแต่ส่วนใหญเราไม่เห็นครับว่าเราเหงาหรือลิสยาแล้วเราก็ด่าคนอื่นทันทีเลยเราะนั้นนอกวันที่เราทําอย่างนั้นยิน่งนกเรายังไม่รู้จักตัวเองทุกทีบางทีเราพิจารณคนอื่นเนะี่ขี้โกรธแต่ตอนที่เราโกรธเราไม่เห็น